อะระหะโตสมมาสมุทธานะโมตัสสะโตอะโตอะระหะโตสมมาสมุทธานิดา i นิจตุตัสสีดิวาสสนิปปิตาญานุทตาปริสัยญาาจิธมิกธาคติยเต ธรรมานุธรรมะปฏิปฏิติอิมัสสะธรรมปริยยัาตสะอัตถุสาธาญาสมันเตหีสกจังธรมโอโซธรมโอตินวันนี้เป็นวันจตุดสีติถีที่14บสี่แหงการปะ เป็นวันธรรมสวรรค์ปัญดาพวกเราหุทธบริษัทั้งครหัข่ายรบันประชิตต่างเขาได้ปุงวางภารกิจของตนมาร่วมชุมนุมเพื่อประกอบเส้นบุรภากิจได้แก่มีการไหว้พระ สวดมนต์สมัยายมารลึกถึงคุณของพระพุทธพระธรรมรสง์ด้วยเครื่องสการะมีดอกไม้ธูกเทียนเป็นต้นรอถึงเด็กขาดได้สมาทานซึ่งข้อปฏิบัติมีเบญจเวรวิรัต สินห้าป็นาทีและสินส้นโบสสดโดยสมควรแก่การรักของตอนของตอนต่อแต่นี้เราท่านทั้งหลายก็จะได้สดับรับฟังธรรมะซึ่งเป็นส่วนหนึง่งของการาทีทร่เราทุกท่าน บรแกการศึกษาให้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจล้วจะเรียน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติอบรมกายและจิตของตนให้เป็นประทางก็จะได้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ที่เราทุกท่านในมุ่งหวังและตั้งใจเข้าไว้ พระพุทธศาสนากล่าวคือคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีอยู่สองในย่าได้กันคืออย่างหนึ่งนั่นเป็นกฎข้อบังคับซึ่งเรียกประศิล์หรือวินัยอันนี้ย่อมมี สำหรับบุคคลผู้ที่เข้ามาอยู่ในวงการรู้หลักสมมุติโดยที่จะต้องมีสินหรือวินัยเป็นข้อกำกับแล้วไม่ปฏิบัติตามและฝ่าฝูต่อข้อห้าม ก็ย่อมจะได้รับโทษโดยสมควรแต่โทสานุถโทษนั้นนั้นซึ่งมีหนักบ้างเบาบ้างเป็นธรรมดาอันนี้คือคำสอนหรือคำสั่งได้แก่ศีลหรือวินัยซึ่งพระองค์ได้ทรงวางไว้ ลดลันเป็นขั้นตอนทั้งนี้ก็เพื่อใช้เหมาะสมแก่ภาวะการเข้ามาได้รับสมมติแต่ละ อ, อย่างนั่นอันนี้ได้แก่ศิลหรือวินยัยยีนงยหนึ่ง น, นั่นได้แก่ทำคาสอนในเชื่อพระธรรม พระธรรมนี้พระองค์ไม่ได้ทรงวางโทษกำกับเขาไว้บุคคลผู้ใดปฏิบัติตามกล่าวคือเมื่อเล่าเว้นทมที่ควรแก่าการและการเว้นก็ย่อมจะเกิดผลดี บุคคลผู้นั้นเองบุคคลผู้ใดไม่ละไม่เว้นบุคคลผู้นั้นเขายอมจะรับโทษโดยสมควรแก่อาธรรมนั้นนั่นเองตรงกันข้ามส่วนธรรมที่ดีซึ่งเป็นพาเวตกธรรมควรแก่การเจริญ ทำนั้นแม้จะเป็นทาที่ดีขั้นต้นขั้นกลางขั้นสูงสุดก็ตามบุคคลผู้ใดปฏิบัติอบรมกายและจิตใจของตนให้เป็นไปตามทาที่เป็นสจริตธรรมมันนั้นก็ย่อมจะได้รับผลเป็นคุณความดี บุคคลผู้ใดไม่ประพฤติปฏิบัติอบรมตนให้เป็นไปตามแม้ทํานั่นจะสูงส่งบริสุทธิ์สะอาด์ของใสหนุดหยาดน้ำข้างก็ตามก็ย่อมจะไม่เกิดประโยชน์ไม่มีคุณแค่บุคคลไม่ปฏิบัติตามฉันนั่นอันนี้เป็นเรื่องของประดัง ทั้งคำสั่งคำสอนสองประการนี้เรียกว่าพระพุทธศาสนาแปลว่าคำสอนของท่านผู้รู้ได้แก่พระพุทธเจ้าเราท่านทั้งหลายที่ได้เสียสะละคราวคือพงพรรากิจทางบ้าน มากบ้างน้อยบ้างมาร่วมชุมนุมกันอยู่ในโลงธรรมสภาสลารูออีกในหนึ่งเรียกว่าพระวิหารหลังนี้โดยเฉพาะเช่นอย่างวันนี้หรือคกล้ของวันนี้วันนี้เป็นวันธรรม ส, สวนะเราชาวพุทธทั้งหลายไล้ลมาร่วมชุมนุมกัน ในเบื้องต้นเราก็ได้พร้อมกันตั้งกายและใจกราวคำอภิวาทกราบไห้พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยกายวาจาใจและก็ยังแถมด้วยเครื่องสาการะวรามิตรโดยสมควรกราวคำนำมัสการ พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าข่าวคํานอบน้อมปรีสงเรื่อยลงมาจนถึงสมบทที่สองหลังจากนั้นเราก็ได้พร้อมกันสังวัตรยายในคุณของพระพุทธเจ้าในคุณของพระธรรมในคุณของพระยะงส์ และธรรมอันนี้เป็นอีกส่วนหนึ่งอันได้ชื่อว่าเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้ามันเองเราได้พากันสวดสังวัทยายถ้าเราจะมองถึงในเนื้อหาสาระในธรรมที่เราสวด น, นั่นท่านก็ได้ยก เอาขันทคือโรคเบธนาสัญญาสังขารวิญญาณสวดประกาศบอกถึงความไม่เที่ยงความไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนประกาศบอกถึงการเกิดเป็นทุกข์ชาติปีทุขาความแก่เป็นทุกข์มรณะปีทุขงความตายเป็นทุกข์ความวิปโยคพัดพาจากบุคคลและสัตว์อันเป็นที่รัก ทั้งหลายทั้งปวงแมในที่สุดวิญญาณมันจะทอดทิ้งสังขารรัฐภาพร่างกายเรียกว่าตัวตนของเราไปก็ย่อมเป็นที่เศร้าโศกโศกาดุลอะไรเราท่านทั้งหลายจะได้รับความเศร้าโศกก็ดี โทมนัดก็ดีครับแค้นใจก็ดีไม่สบายกายไม่สบายจิตก็ดีเป็นประจําอยู่เสมอเสมอทุกวันนั่นแหละคือสิ่งที่เราได้สวดกันไปแล้วได้สังวัทยายไปแล้วถ้าเราได้มาหมั่นสวดสังวัทยายกันอยู่หนึ่งๆเสมอแล้วก็จะเป็น ที่มงคนแก่ตัวของเราเองอย่างน้อยก็ได้ชื่อว่าเราได้น้อมกายน้อมจิตรวมทั้งวาจาของเราเป็นไปในเรื่องของพระพุทธศาสนาจะ ก, กี่นาทีกี่เท่วโมงก็ตามถ้าอยากจะให้ดียิ่งแล้วขนาดที่เราได้สังฆตยา ย, ยู่นั่ น, นพยายามรวบรวมเป็นผู้มีสติ แปลว่าความระลึกได้สำปัญญาแปลว่าเป็นผู้รู้พร้อมให้มีสติสัพปัญญากำกับระลึกระลูพร้อมอยู่ในส่วนต่างๆของร่างกายในขณะที่เรานั่งนับเพ็บก็ดีกะโยงคุกเข่าก็ดีบนนมมือนี่เรามีสติอยู่ระลึกรู้ไล่ลอยู่ มีสติสมัญ ญ, ญ, ญ, ญาและลึกลูกในขณะที่เราเปลี่งนวาจาจะเปล่งวาจากราบนอบน้อมนมัสการและพิวาิกราบไหว้พระพุทธพระธรรมพ criteria. ระสงฆ์ก็ดีเปล่งวาจาพรรณนาถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระรีสงฆ์ก็ดีแม้ในที่สุดเราจะสังวรทายธรรมะทำเป็นธรรมสังเวชก็ดี ว่าเราเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะอยู่กับวาจาของเรานั้าโดยเฉพาะย่างยิ่งก็มีสติเป็นเครื่องระลึกรู้อยู่ภายในจิตของเราให้จิตของเราน้อมลำลึกถึงสิ่งที่กายของเรากำลังประนมมือกราบวาจาของเรากำลังกล่าวพราราถึงนั่นถ้าเรามีสติน้อมล้ลึกเป็นไปพบใจทวาร กายของเราก็กราบวาจาก็ปรานาจิตของเราก็น้อมลำลึกลึกถึงคุณประพุทธประธรรมประสงค์และอัดธรรมนั้นๆโดยที่เราจะแปรได้ก็าตามแปรไม่ได้ก็าตามถ้าเราทาได้โดยการอย่างนี้ได้ชื่อว่าเราเป็นผู้มีกายวาจาและจิตใจน้อมไปสู่กระแส แห่งคุณความดีได้แก่ความเป็นธรรมเรามีวาจาารนนาถึงคุณหรือน้อมไปสู่คุณความดีตลอดถึงจิตใจของเราน้อมไปสู่กระแสของความดีได้แก่เนลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้า ป้าสังกระเจาและคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระอริยสงฆ์ตลอดถึงธรรมะคำสั่งสอนที่เราได้สังวรทะยายไปอย่างนี้บุญกุศลก็ย่อมจะเกิดขึ้นแก่เราเมื่อเราหมั่นฝึกให้เป็นไปโดยการอย่างนี้อยู่นึงๆเสมอแล้ว กายของเราก็จะเป็นนิสัยวาจาเป็นนิสัยจิตเป็นนิสัยเมื่อกายวาจาจิตของเราเป็นนิสัยการที่เราจะน้อมกายและจิตของเราไปสู่ธรรมะและก็ปฏิบัติอันยิ่งขึ้นเช่นอย่างเราได้รับและสมาทานกันแล้วได้แก่สิมท่า โบสุทธสินก็เป็นสิ่งที่ดีมากยิ่งขึ้นและเราก็สามารถที่จะสํารวมรักษาสมบัติเหล่านี้ให้ดำรงทรงอยู่ในตัวของเราและให้เป็นไปด้วยดีไม่สช่แคว่าทรงซึ่งเป็นไปไม่ดีแม้จิตของเรา ก็เก่นเดียวกันเราก็จะเป็นผู้มีสติ ล, ลึกลึกรู้ตัวอยู่เสมอว่าขณะ น, นี้บัดนี้เวลานี้เราอยู่ที่ไหนถ้าจะพูดนอกออกไปเราไม่ได้อยู่ที่บ้านเราละทิ้งบ้านทั้งหมดมานั่งอยู่ในวัดวัดไม่ใช่บ้านบ้านไม่ใช่วัด แม้แต่ผู้ที่มาอยู่ในวัดประจาบัดนี้เราเป็นอะไรเราเป็นคนธรรมดาสามัญหรือเราเป็นอะไรบัดนี้เรามีเพศเป็นบรรพชิตแล้วคือมีเพศเป็นนักบวชเป็นภิกษุเป็นสามมาณีเป็นอุบาสิกาคือแม่ชีหรือพระมณีหรือแม้แต่จะเป็นคนธรรมดาก็เป็นอุบาสก ผู้ประกาศตนถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นสระาที่พึ่งที่เคารพนับถือพร้อมทั้งคุนองเครื่องของความเป็นอุบาสกนี่เมื่อเรามาระลึกถึงตัวของเราเราก็จะเห็นภาวะในความเป็นของเราเรามีเพศจ่จงจากกรหัตเรามาเป็นนักบวชผู้ทรงศีลทรงธรรม เมื่อเราเป็นผู้มีทรงศีลทรงธรรมเราก็จะเห็นตัวของเราต่อไปอาการกิริยาใดๆของนักบวชหรือว่าของชาววัดชาววาจะพึงแสดงกิริยาอาการอย่างไรจึงจะเป็นไปถูกต้องด้วยดีแก่ความเป็นสมณะซึ่งเป็นผู้สมบแก่ผู้ที่ทรงศีลทรงธรรม อันได้ชื่อว่าเป็นผู้มีกายวาจาสำมรวมด้วยดีแล้วการแสดงกิริยาวาจาอย่างไรการพูดอย่างไรการคิดอย่างไรจึงเป็นการกระทำพูดระคิดไม่ถูกต้องเหมาะสมแก่ผู้มีศีลมีธรรมอย่างพวกเราท่านทั้งหลาย นี่ถ้าหากว่าเรามีสติเป็นเครื่องระลึกรู้ตนของตนสัมปะชัญยะาพร้อมที่จะรู้การเคลื่อนไหวในกายของตนในจิตของตนได้แก่เรียบททั้งสี่ยืนเดินนั่งนอนการเคลื่อนไหวในจิตจิตของเราวิตึกถึงในเรื่องอะไร และก็ในเรื่องนั้นมันประกอบไปด้วยความโลภหรือความไม่โลภประกอบไปด้วยความหลงหรือความไม่หลงห้ความโกรธหรือความไม่โกรธประกอบด้วยความหลงหรือความไม่หลงบุคคลที่รู้ตนอยู่เท่านั้นจึงจะเป็นผู้รู้ได้ตามที่กล่าวมานี้ถ้าบุคคลผู้ไม่มีสติเป็นเครื่องละลึก รู้อยู่ในตนของตนแล้วถึงจะเป็นพระเป็นเนนเป็นลูบาศกุบาสิกาเป็นชาววัดชาววามากก็ตามน้อย ก, ก็ตามากกาเขาไม่สามารถที่จะรู้เห็นตามเป็นจริงที่เราโดยย่อนี้ได้เพราะฉะนั้นเมื่อเรามารู้ จากภาวะในความเป็นของเราแล้วความถูกต้องความไม่ถูกต้องความเหมาะสมและความไม่เหมาะสมควรไม่ควรเมื่อเรารู้โดยการอย่างนี้แล้วหน้าที่ของเราว่าเราจะทำอย่างไรจรึงกำจัดความทั้งที่ถูกและผิดนั่นก็หมายถึงว่าจริตนิสัยของเรานั่น ยังไม่ยอมทิ้งไม่ยอมละจากภาวะอันขัดต่อศีลละธรรมซึ่งเราได้เคยสั่งสมมาตั้งแต่สมัยเป็นกราวะสมัยที่เรายังไม่เคยได้สนใจในวัดในวาในศาสนาเยี่ยงปัจจุบันนี้นังติดตัวเรามาอยู่ติดกายทุกส่วนติดวาจาอยู่ติดแม้จะกระทั่งใจ อันนี้ก็เป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องชำระแค่ไขในส่วนที่ความดีคุณความดีแม้แต่สิ่งที่เราเคยกระทำบำเพ็ญมายามทานเราก็เคยให้มาสินรเราเคยรักษาสํารวมกายสํารวมวาจามาจิตหมายถึงการฝึกฝน ล, ลบรมสมาธิภาวนา มันนึกมันคิดวิตกวิจารสิ่งที่ยังไม่เคยวิตกวิจารณ์ไม่เคยรู้ไม่เคยคิดแล้วก็คิดทั้งในทางที่ถูกและที่ผิดเหล่านี้เป็นต้นให้เกิดขึ้นกับตัวตนของเราอยู่เนืองเนืองได้เสมอสิ่งเหล่านี้ถ้าหากว่าเราไม่ประขอบไม่ขยันหมั่นเพียรแอลโดนของตนเองแล้ว ใครจะทำให้เราได้ไม่มีใครทำให้เราได้พระพุทธเจ้าได้แก่ท่านผู้รู้เมื่อพระองค์ทรงรู้แล้วในฐานะนที่พระองค์เปี่ยมล้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณก็ทรงเผื่อแผ่สิ่งที่พระองค์ทรงรู้แล้วด้วยการบอกกลับคือเศรษฐนาแนะนำคํานสอนเท่านั้น เมื่อพระองค์ทรงเทศนาแนะนำปั้มสอนสัตว์ทั้งหลายนั้นถ้าสนใจตั้งใจฟังสะดับรับฟังก็ย่อมจะรับผลประโยชน์เป็นผู้โชคดีไปผู้ใดไม่ได้ตั้งใจฟังก็ย่อมจะไม่ได้รับผลประโยชน์อะไรสิ่งเหล่านี้ก็ย่อมจะปรากฏมีอยู่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าทรงสแสดงธรรมสัตว์น้อยใหญ่จะสำเร็จสำเร็จมรรคผล หมดทุกท่านทุกคนก็หาไม่ได้ชีวิตของพระพุทธเจ้าพระองค์จะไม่เคยพบอันตภานเลยเหล่าอันตภานเลยก็หาไม่ได้แม้บางครั้งพระองค์ทรงแสดงธรรมอยู่ในถ้ากลางของหมู่ชนที่ขี้เมาก็มีเมาเลาไม่ยอมฟัง องทร ง, งแสดงทำไปมันก็เมาเล้ากันไปกินไปอย่างนี้ก็มีคือมีทุกรูปแบบอย่างที่เราเห็นกันในปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้มีอย่างใดพระพุท ธ, ธเจ้าก็มีอย่างนั้นความดื้อรั้นในวงการของนักบวชไม่ยอมลดทิฐิมานฑะ์เอาทิฐิความบวช ด, ดิ บ, บวช ด, ดีแข่งกันต่อหน้าพระพุทธเจ้าก็มีมาแล้ว แข่งดีพระพุทธเจ้าอย่างพระเทวทัตก็มีมาแล้วว่านอนสอนอยากใครจะว่าก็ไม่เชื่อไม่ฟังดือ้อก็มีมาแล้วมีทุกอย่างที่เรามีอย่างไรสมัยพระพุทธเจ้าก็มีอย่างนั้นนี่คือเป็นเหตุการณ์ภายนอกโนปนาิโกน้อมเข้ามาสู่พวกเรา ความดื้อรั้นนิสัยความบวดดีตลอดถึงความแข่งดีทั้งทั้งที่เรารู้อยู่ว่าถึงจะแข่งก็สู้เขาไม่ได้แต่มันก็อยากจะแข่งอยู่อกันเลเพราะอะไรเพราะเรามันมีเครื่องที่จะทาให้คุณเครื่องที่จะทำให้เราเป็นดังกล่าวนั่นนะมันมีอยู่ใน กับพวกเราทุกๆคนซึ่งเราก็กำลังจะกําจัดแก้ไขกันอยู่อันนี้เพราะฉะนั้นก็จึงเป็นหน้าที่ของเราเมื่อเรามารู้จักตัวจา ก, กตนของเราแล้วเราก็จงมีสติควบคุมมีสติสัมปชัญญะควบคุมตัวตัวตัวตนของเราแม้เราจะทำความดีก็ให้มันเป็นความดีจริงๆให้มันถูกดีจริงๆ ทั้งส่วนภายนอกภายในทั้งส่วนกายกับจิตวาจากับจิตทั้งส่วนกายวาจาและจิตการที่เราจะคุมตัวของเราให้เป็นไปโดยอย่างดังที่กล่าวนี้ก็เพราะสติและสัมปชัญญะและสติสัมปชัญญะตัวนี้ก็จะต้องอยู่ภายในตัวของเราไม่อยู่ในตัวบุคคลอื่นกับสิ่งอื่นต้องอยู่ในตัวเรากำกับอยู่ในตัวของเราเสมอเมื่อเรามีสติอยู่ในตัวของเราเสมออย่างนี้น ไม่ว่าจะเป็นเพื่อรากายยัตุจริตวาจาวาจาทุจริตมโนทุจริตมันก็ย่อมจะเปลนไปได้วยความเต็มไม่เต็มหน่วยไม่ว่าเราจะเจริญกายสุดจริตวาธีสุดจริตมโนสุจริตถ้าเรามีสติเป็นผู้กํากับควบคุมอยู่แล้วมันก็ย่อมจะเปลนไปเพื่อความสร้างสรรค์โดยสมบูรณ์บริบูรณ์ ตามความสามารถเปิดปฏิบัติของเราซึ่งเรียกว่าธรรมานุธรรมะนั่นนี่เพราะฉะนั้นในวันนี้ก็ใครที่ะฉดีชี้แจงถึงว่าธรรมะบางสิ่งบางประการในฐานหน้าที่พวกเราท่านต่างหลายได้พากันมุ่งและตั้งใจเข้ามาปฏิบัติอัดทำคำสอนของพระพุทธเจ้า ซึ่งทุกท่านก็เห็นว่าเป็นภาระหน้าที่ที่เราจะต้องกระทำำําบําเพ็ญให้เป็นไปทั้งในส่วนปหานะได้แก่ธรรมที่เราเห็นว่าควรระควรงดควรเว้นได้แก่บาปมีปาณาธิบาตเป็นต้มอคุสนได้แก่กามวิตกได้แก่ความตรึกความคิด อันสอนแสดงไปถึงด้วยความโลภและกันข า, าเกี่ยวกความไร้ความยินดีเป็นต้นอเวตประธรรมเป็นธรรมที่เราควรเจริญได้แก่มัธซึ่งเป็นหนทางที่จะนำให้ผู้ปฏิบัตินั้นได้เข้าถึงซึ่งเหตุที่จะบันดาลให้เกิดผล ให้ได้บรรลุผลอันเป็นคุณสมบัติที่พวกเราท่านทั้งหลายได้ปรารถนาเป็นที่ยิ่งในแก่มนุษย์สมบัติก็ดีสวรรคสมบัติก็ดีสมบัติอย่างยิ่งด้แก่พระนิพพานก็ดีสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ย่อมจะเกิดขึ้นด้วยความตั้งใจประกอบเหตุให้เกิดมีขึ้นโดยสมบูรณ์ในส่วนต่างๆของกายบ้างของวาจาของขจิตใจ ตลอดถึงสิ่งที่เราได้อาศัยอยู่ในโลกได้แก่ปัจจัยชาติทั้งสี่เราจงเป็นผู้ฝึกฝนอบรมตนให้เป็นผู้มีปัญญาเมื่อเรามีปัญญาแล้วเราจะมีสิ่งใดเราจะหาสิ่งใดสิ่งนั้นจะไม่เป็นเหตุและเป็นปัจจัยที่จะข่อให้เกิดความโมวหมองแล้วเมื่อมาเรามีแล้วสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นก็จะไม่เป็นเครื่องกีดขวางและทับถมให้เราจมอยู่ในกองทุกข์ เพราะปัญญาของเรามองเห็นพิจารณาเห็นและรู้อยู่ในที่สุดเราขยาใสสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเป็นเครื่องเสริมสร้างบุญญาบา ร, รมีให้แก่ตัวของเราเช่นอย่างเราทุกครั้นของการมีการให้ทานได้แก่การเสียสละทรัพสมบัติปัจจัยชาติโดยสมควรแก่ธรรมะที่มีอยู่ในใจของเราพ อ, าอดีแม้ในที่สุดเราได้น้อมกายไม่เห็นแก่ความสุข ความสบายอยู่ตามลำพังเข้ามาสู่วัดวา ศ, าศาสนาน้อมขวันห้ามารับเอาสินห้าสินมุมโบสถ์พระที่มีอยู่ในใจของเราก็ดีแม้ในที่สุดเราได้น้อมกายไม่เห็นแก่วความสุข ความสบายอยู่ตามลาพังเข้ามาสู่วัดวาศาสนาน้อมเอาขันหามารับเอาศีลห้าศีลนุโบสถตลอดถึงธรรมะต่างๆสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ถ้าหากว่าเราไม่คิดไม่นึกอันอย่างต่องแท้แล้วก็จะเห็นว่าเป็นเรื่องธรมธรมดาธรรมดาอันใครๆก็ทำได้นอนวัดรักษาศีลอดเย็นกินข้าวกินเพิน ใครใก็ทําได้นี่ถ้าเรามองเป็นเผย์ตามชั้นเชิญของวิสัยของคนผ่านแล้วอย่างที่เราก็ทําบําเป็นอยู่นี่มันง่ายนะสําหรับคนผ่านไม่ยากเลยแต่ถ้าว่าคนผ่านคนชั่วมันทําอะไรได้มันทรงสืบคุณความเบียอะไรที่ไหนได้ไม่ได้แม้มันจะเข้ามาร่วมหมู่ร่วมวงกับเราเป็นนักบวชเป็นครสเป็นเนนเป็นอุบาสกอุบาสิกาก็ตาง มุ่นวายทำสถิติของความดีของพวกเราท่านทั้งหลายนั้นให้ลดลงด้วยซ้าไปนี่สาหรับคนผ่านมันเป็นอย่างนั้นมันมองเห็นการกระทําของพวกเราทั้งหลายเป็นของที่ง่ายเลือกขนแต่ตว่าความจริงคือพวกเราแลเห็นว่ามันไม่ง่ายนั่งๆ่งนอนนอนจำสินภาวนาเนี่ยทั้งทั้งที่ไม่ต้องไปกราดกรรมหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินเหมือนชาวไร่ชาวสวนเขา ไม่ต้องไปขุดไปกลุ่นไปเหน็ดไปเหนื่อยเหนื่อยก็ไม่อยากไม่หยกไม่ไหลอะไรแต่มันก็ยังทุกข์นั่งอยู่ขณา น, นี้มันก็เป็นทุกข์ทุกข์ที่สุดทุกข์อะไรก็ทุกข์ใจกายก็อิ่มน้ำสํารานแล้วทุกข์เ็เกิดขึ้นเพราะความหิวความโหยไม่มีแล้วดับสนิทแล้วโลกเกิดขึ้นจากความหิวไม่มีแต่โลกจิตมันเกิดขึ้น มันเกิดขึ้นอาหารที่เรารับทานเข้าไปมือหนึ่งมันก็เมื่อไปตวงไปตั้งแล้วไปช่างแล้วมันคงไม่ถึงกิโลมากถ้าเป็น ข, ขีดก็คงจะได้อีกหรอกแค่นี้มันก็แบกไม่ไหวแล้วหนักหัวสุกหัวสูนหัวทิ่มหัวดํายี่นะเห็นไหมอาหารเข้าไปไม่ถึงกิโลน้ำไม่กี่กรัมถ้าเราเน้นเราผู้ปฏิบัติทำสู้ไม่ไหวแบกบไม่ไหว หัวที่หวัวํำนี่พิจนาดูสิมันง่ายไหมล่ะทรงสินทรงธรรมมันง่ายไหมถ้าจะทรงกันถึนนนงแบบนี้ไม่ไหวไหวพระก็ไม่มีสิ่งเหล่านี้ลบควนฟังธรรมก็ไม่มีเจริญสมาธิปัญญาก็าไม่มีกิเสายเบิกบานไม่ความง่วงเมานอนซึมซึมขี้เกียจขี้คันอ่อนแอทอแท้ไม่มี มีสิ่งเหล่านี้แหละนั่นแหละเห็นไหมล่ะความเป็นนันตพันธ์อิเลตมันเป็นนันตพันธ์พรานพวกเราขึ้นมาแล้วเป็นไงนี่ถ้าหากว่ามันมีพรานข้างนอกขึ้นมาอย่างนี้แล้วเป็นไงล้างวุ่นวายนั่งไม่สงบนั่งก็วางใจกันไม่ได้นะ่ะเดี๋ยวมันก็จะคลอนมาบุบมาตีมาทิ่มามาแทงเ ง, งาถึงแก่วความตายนั่นอยู่ใกล้มานกำนอก นี่เราดูมานข้างในเป็นไงกิเลสมานภายในเราเป็นไงบ้างมเล่นเราปั่นป่วนวุ่นวายนะสันวิหารหลังนี้ก็หลังใหญ่เบ้เร้อเลยแดดออกก็ไม่ร้อนฝนตกก็ไม่เปรียกนั่งก็สบายอาหารการกินก็กินอิ่มน้ําสํารานแล้วจะเป็นทุกข์เพราะความหิวกม็มีนี่แน่ทุกอย่างพร้อมแล้ว แต่เราเองนเป็นผู้ไม่พร้อมนี่เราเองนั่นแหละเป็นผู้วันแดต้องสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นเราขาดสติเอาสติประชิในทานที่ผิดเนี่ยเา ะ, ะนั้นเลยเป็นเครื่องมือของศัตรูของกิเลสมารเสียหมดนี่เรามาปฏิบัติธรรมฟังธรรมก็เพื่อแก่ปฏิบัติก็ทมก็เพื่อแก้ ในการที่เราจะแก้นั่นสติตัวเดียวสติเป็นเครื่องระลึกรู้ระลึกได้สัมปชัญญะเป็นเครื่องรู้เมื่อเรารู้แล้วรู้ที่ไหนรู้ตนรู้กายรู้จิตรู้ตนคือว่าเราเป็นใครมีหน้าที่อย่างไรและเวลานี้เรากาลังกระทำอะไรเราทำหน้าที่ของเราสมบูรณ์แล้วหรือยัง แค่นี้ก็พอเมื่อเราปฏิบัตินำลึกนึกถึงธรรมได้โดยการที่กล่าวโดยย่อวันนี้แล้วแล้วเราก็นำไปประพฤติปฏิบัติเมื่อเรารู้จักตนแล้วเราก็รู้จักบุคคลผู้อื่นและเราก็รู้จักหน้าที่เรื่องราวของเราของบุคคลผู้อื่นเมื่อ ร, รู้แล้วเราก็ ปฏิบัติแสดงออกให้มันเป็นโดยไปด้วยความถูกต้องกับภาวะในความเป็นของพวกเราเมื่อเป็นอย่างนี้นี่แหละได้ชื่อว่าการปฏิบัติธรรมะโดยสมควรแก่ธทำก็ย่อมจะนําให้เราเป็นผู้ได้ประสบกับความสุขความเจริญโดยสมควรแก่การปฏิบัติตามในญาติที่ได้ชี้แจงแสดงมาก็พอควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการศนี้ในวันนี้ เป็นวันนัดมีดิถีที่สิบห้าคำแห่งสุการะปักเป็นวันที่พระบรมศาสดาได้ทรงอนุญาตให้พวกเราท่านทั้งหลายได้มาร่วมชุมนุมเพื่อปฏิบัติซึ่งาศาสนากิจอันควรแก่การกระทําบำเพ็ญในเบื้องต้น ได้แก่มีการอภิวาทกราบไหว้นมัสการแนอบน้อมในคุณประรัชนาใจด้วยเครื่องสักการะวรามิตรมีดอกไม้ธูปเทียนเป็นต้นและจะได้เพิ่มกูลกุศลและบารมีอันเป็นคุณความดีของตนให้ยิ่งขึ้น ด้วยการสมาทานซึ่งเป็นเวรวิรบรัฐได้แก่สินหาและอุโบสถทศินตลอดถึงการที่จะได้สะดับรับฟังซึ่งทรรมอันได้ชื่อว่าเป็นคำสอนของพระบรมศาสดาเพื่อเป็นการส่งเสริมกุศลและสติปัญญา สัมมาปฏิบัติของเราทันทั้งหลายให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปตามนตยยที่ได้ยกขึ้นเป็นหัวข้อของการแสดงธรรมในวันนี้ซึ่งปรากฏเป็นภาษาบาลีนั้นว่าอัตต ร, ระทังปรัตเทนะหุณนาบินาปเย อัตตัฐถะนพินยายัคสัตสตสัตตุโตศิยาซึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่าบุคคลไม่ควรพร่าประโยชน์ของตนแม้เพราะประโยชน์ผู้อื่นแม่มากเมื่อรู้จักประโยชน์ตน แล้วพึงควนไาวในประโยชน์ของตนดังนี้อันนี้เป็นพุทธภาษิตซึ่งพระองค์ได้ทรงตรัสสอนไว้และได้แสดงถึงประโยชน์อันเป็นทั้งส่วนเหตุและส่วนผล ที่บรรดาสัตว์ทั้งหลายโดยเฉพาะที่ได้อุบัติเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์ในโลกนี้ย่อมต้องการและปรารถนาซึ่งคำว่าประโยชน์และคำว่าประโยชน์นี้เมื่อจะกล่าว ในทางพระพุทธศาสนาก็มีอยู่ถึงสามประการคือประโยชน์ในปัจจุบันทันตาเห็นที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้หรือประโยชน์ในภพภพแระชาตินี้ซึ่งภาษาบาลีเรียกว่า ทิฏฐธรรมิกะะประโยชน์คือประโยชน์ในภพหรือชาติปัจจุบันสัมปรายิกะะประโยชน์คือประโยชน์ในสัมปรายิกภพคือพภพอ้ายภาคหนา้าหลังแต่การแตกดับมรณะคือตายไป ในภพชาติปัจจุบันและประมีถ้าประโยชน์คือประโยชน์อย่างยิ่งสูงสุดสูงกว่าประโยชน์ทั้งสองประการที่กล่าวแล้วคือในปนัจจุบันและในสัมภรายาภพประโยชน์อย่างยิ่งก็ได้แก่มรรคผลผนิพพาน คือการพ้นทุกข์ไปจากวัฏะสงสารนี่ท่านได้กล่าวถึงประโยชน์ไว้สามประการในาศาสนาของเรานี่แต่นี่ในหัวข้อของธรรมะที่ทยกเอามาเป็นตัวบท ของการแสดงนั้นท่านบอกว่าบุคคลไม่ควรพร่าประโยชน์ของตนเพราะประโยชน์ของบุคผู้อื่นแม่มากเมื่อรู้จักประโยชน์ของตนแล้วจึงควนไายในประโยชน์ของตนดังนี้ในที่นี้ ท่านชี้แนะหรือสอนไว้ไม่ให้พวกเราทั้งหลายผู้ที่มุ่งบำเพ็ญประโยชน์หรือคุณความดีทั้งในทางโลกและทางธรรมหรือบำเพ็ญคุณความดีทั้งในปัจจุบัน ในสัมประยาภพและเป็นการบำเพ็ญอย่างยิดได้แก่มรรคผลนิพพานการ้นทุกข์ไม่คุ้มที่จะร้าประโยชน์ทั้งเหตุและผลของตนไปเสียคือไม่พึงตรงวางเลิกระท่อทิ้ง เรานี้เป็นต้นซึ่งในหน้าที่และประโยชน์การบาเพ็ญความดีของตนทั้งส่วนภายนอกและก็ภายในไปเสียเพราะไปมุ่งประโยชน์ของผู้อื่นประโยชน์ของผู้อื่นแม้จะมากไมาายกลายกอง มหาศาลแักเพียงใดก็ตับท่านในคําสอนข้อนี้ท่านก็ไม่สอนไม่ให้พึงระพระทําลายประโยชน์ของตัวเราเองเพราะมุ่งประโยชน์ของบุคคลผู้อื่นเมื่อเรารู้จักหน้าที่กล่าวคือเหตุ ของการที่จะก่อให้เกิดผลดันเป็นคุณความดีและมีประโยชน์เป็นประโยชน์ทั้งเกตตนบุคคลผู้อื่นแล้วก็พึงตั้งหน้าตั้งตาขวัญขวายศึกษากระทาบำเพ็ญให้เกิดขึ้นให้เป็นขึ้น ในตัวตนของเราอย่างนี้ท่านหมายเอาอย่างนี้ธรรมะในข้อนี้เท่าที่ได้เกิดขึ้นมาโดยย่อก็พอที่จะทำให้เราผู้ฟังได้จับเอาเนื้อหาระใจความเราคือความบุ่ไหมายได้โดยง่าย ไม่น่าจะมีอะไรเป็นที่สงสัยเราทั้งหลายที่ได้เกิดมาก็ต้องการสิ่งที่เป็นประโยชน์หรือเป็นคุณได้แก่ความดีเมื่อจะพูดสั้นๆในทางศาสนาท่านเรียกว่าประโยชน์ ผลความดีทุกอย่างนั้นจะเกิดมีขึ้นต้องสืบเรื่องมาใดเหตุดังนั้นพระผู้มีพระภาคเจา้าจึงได้ทรงแสดงไว้ว่าทำทั้งหลายเกิดแต่เหตุดังนี้นี่เป็นคำที่พระพุทธเจ้า ทรงตรัสแสดงไว้ในบรรดาคำสอนของพระองค์แปดหมื่นสี่พันพระธรรมกันก็มีคำนี้รวมอยู่ด้วยผลทั้งหลายจะเกิดขึ้นโดยปราศจากเหตุก็หาไม่ได้แม้แต่พวกเราท่านทั้งหลายที่ได้นั่งรวมชุมลุมกันอยู่ที่นี่ก็ดีที่อื่นไกลนอกจากนี้ก็ดี กัล้วนแล้วเกิดมาจากเหตุด้วยกันทั้งสิ้นหรือมีเหตุเป็นตัวก่อให้เกิดแต่ทว่าเหตุที่เป็นตัวอย่างเราท่านทั้งหลายให้เกิดนั้นเป็นของที่ละเอียดอ่อนสุขุมลุ่มลึกยากต่อกันที่เราจะรู้กันได้โดยอุบาย และวิธีอย่างใดยังหนึ่งง่ายๆไม่มีทางใดที่ไม่มีทางรู้ทางง่ายๆที่จะทำให้รู้นั้นไม่มีเพราะเหตุที่ก่อให้เกิดมาเป็นตัวตนของเราเรียกบุญทำกรรมแต่งเป็นของละเอียดอ่อนมาก ถ้าเราจะมองถึงเหตุในปัจจุบันผู้สร้างอัตภาพร่างกายได้แก่รูปขันของเราอันประกอบไปด้วยทวานทั้ง9ก้าอายันตนะทั้งห้าก็ได้แก่บิดามารดาประสมธาตกันแล้วก็เปิดมาเป็นตัวเรา มาเป็นรูปเรามาเป็นธาตุาของเรามาเป็นขันของเราอย่างนี้ถึงเราจะมองเห็นกันได้ง่ายๆดังที่กล่าวมานี่ก็ไม่สู้ที่จะถูกต้องเซตทีเดียวถูกโดยปริยายหรือเบื้องต้น แต่ส่วนเหตุที่จะก่อให้ส่วนผสมของธาตุของพ่อของแม่สมบูรณ์บริบูรณ์ไม่วิปริตแตกดับไปเสียก่อนมาเป็นตัวเรานั้นเหตุนั้นได้แก่อะไรเราไม่สามารถที่จะมองเห็น แต่มีทางที่จะทำให้เรารู้ได้เฉพาะใจแต่ก่อนที่เราจะรู้ได้จนแจ้งประจักษ์อันได้ชื่อว่าเป็นญาณทัศนะทัศนะคือความเห็นญาณคือความรู้ปรากฏเกิดขึ้นในจักษุคือตาใจของเราทั้งสองประการนั้นแจ้งในเหตุ อันรึกซึ่งได้แก่กิเลสทั้งหลายทั้งปวงมีโรคกดหลงโดยที่มีไอวิชาคือความไม่รู้เป็นที่สุดเป็นประธานนั้นอันนี้แหละได้ชื่อว่าเป็นตัวเหตุก่อให้สัตว์กล่าวคือเราเกิดเพราะโรค เพราะโกรธเพราะหลงอยู่ในการควบคุมเครือขายของอวิชชาอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นถ้าเราไม่มีธาตุขันธะยัตนะรูปขันเป็นเครื่องพร้อมที่จะตอบสนองกิเลส ด, ดังกล่าวในจิตวิญญาณของเราแต่ละท่านละคนแล้ว มันก็จะฟักตัวแล้วฝังอยู่พร้อมที่จะบันดาลผลอยู่ในวิญญาณธาตุคือจิตใจของเรานั่นเองไม่ผิดอะไรกับกิ่งก้านดอกผลโอชารสของพืชทุกๆชนิดย่อมบรรจุรวมฝังของตัวของมันอยู่ในเมร็ดของมันนั่นเองฉันใด กิเลสและความไม่มีกิเลสก็ย่ อ, ยอมจะฝังอยู่ในจิตวิญญาณของภวงสัตว์ในขนาดที่ไม่ได้ถือเอาธาตุเอาขันธ์และยตนะซึ่งได้ชื่อว่าไม่มีชาติคือการเกิดฉันนั้นเหมือนกันอันนั้นแหละเป็นเหตุหนุนก่อให้เกิดกรรมได้แก่การกระทํา เมื่อมีกรรมการกระทำต่างๆทางกายวาจาและจิตผลของการกระกา ร, กรทำนั่นก็ย่อมจะมีเป็นธรรมดาการทำนั่นแหละในชื่อว่าประโยชน์กล่าวโดยรว ม, ลวมแล้วก็ส่งผลให้เป็นที่พอใจไม่พอใจในภพชาติที่ตนเกิดและเป็นอยู่และในกติที่ตน จะพึงท่องเที่ยวไปเพราะฉะนั้นกิเลสได้ชื่อว่าเป็นเหตุให้เราได้มาถือเอาเรียกว่าปฏิสนธิในคันของบรรดาพ่อแม่มาถือเอาก้อนธาตุจึงมีชาติเรียกว่าการเกิดแต่นี้เมื่อเราเกิดมาแล้วอันนี้เป็นผลโดยที่อดีตเหตุ ต่นนี้เมื่อเราเกิดมาแล้วเหตุผลต้นปลายอันเป็นส่วนปัจจุบันแม้จะเราท่านทั้งหลายได้นำตัวชีวิตจิตใจรวมทั้งกายมายอมรับสมมุติเป็นพระเป็นเนตรเป็นลุบาศกุบาศิกาเป็นชาววัดและ ก็เป็นอะไรอะไรอีกหลายในการเป็นล้วนแล้จะเป็นสมมุติเราทุกคนยอมรับหลักของการสมมุติอันนี้แหละมันก็เป็นตัวเหตุอันหนึ่งมันเป็นผลอันหนึ่งซึ่งสืบเนื่องมาจากเหตุเหตุตัวก่อที่จะทําให้เราเกิด เป็นจริงตามสมมุตินั้นตามที่เรายอมรับสมมุติสมมุติเป็นพระเป็นเนนเรียกว่าบัรประชาและอุปสมบทเหตุที่จะทำให้เป็นพระเป็นเนนโดยสมมุติก็เริ่มตั้งแต่เราท่องเรียกว่าขานนันนาฝึกกิริยามารยาในที่สุด ได้ประกอบกรรมตามวิในนุญามีพระอุปชามีกรรมมวาจาจาร์มีคณะสงฆ์มีการสวดเป็นไปโดยถูกต้องตามพระบรมทุกพุทธานุญารวมทั้งมีบริคารแปดครบถ้วนบริบูรณ์อันนั้นละเหล่านี้แหละ ได้ชื่อว่าเป็นเหตุก่อให้เกิดผลคือความเป็นพิกษุสรรมเนนโดยสมบูรณ์ตามหลักของความสมมุตินอกจากนั้นแล้วยังมีสินจะเป็นปริสุทธสินสี่หรือสินส2 7รอีสิินสิก็ตาม นั่นก็เป็นเหตุที่จะก่อให้เกิดผลคือความเป็นพระเนนเป็นอุบาสกอุบาสิกาหรือชาวพุทธโดยถูกต้องตามหลักสมมติซึ่งเรียกว่าเป็นคุณเป็นคนดีขึ้นมานี่เป็นปัจจุบันเหตุเป็นปัจจุบันผล แม้เราท่านทั้งหลายได้นั่งอยู่ร่วมชุมนุมกันในที่นี้พระพุทธรธรรมพระสงฆ์อันได้ชื่อว่าพระตัณฐไตรัยอันเป็นหลักายสําหรับจิตใจของพวกเราชาวพุทธผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนาน้อมรับเข้ามาเป็นหลักใจของเราเป็นเยี่ยงเป็นอย่างเป็นเครื่องระลึกเป็นแบบฉบับ ที่เราจะพึงอบรมกายวาจาจิตของรับให้เป็นไปตามโดยสมควรแก่ฐานะและความสามารถจะพึงปฏิบัติให้เป็นไปได้ตามขั้นตอนของคำว่าเป็นพระเป็นเนนเป็นอุบาสกอุบาสิกาหรือชาวพุทธที่ดีแล้วในที่สุดเราก็ได้สมาทานสิน ได้สดับรับฟังธรรมตลอดเวลาที่เราได้ปฏิบัติกิจล้วนแล้วแต่เป็นคุณความดีสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายในปัจจุบันปรากฏว่าเหตุที่จะก่อให้เกิดผลผลดีผลเสียเหตุดีเหตุชั่วซึ่งจะก่อให้เกิดผลดีผลชั่ว ในขณนะนี้ปัจจุบันนี้มันก็เกิดขึ้นแก่ตัวของเราอยู่ตลอดเวลาและเราก็ได้พยายามกาจัดกดข่มปกป้องคุ้มครองเหตุแห่งความชั่วนั้นไม่ให้มันเกิดขึ้นมาเพื่อแพานคุณความดีของเรา ซึ่งเราจะใช้เวลาไม่เคียงเพียงกี่นาทีประกอบคุณความดีกันอยู่ในขณะ น, นี้ถ้าเราจะมาปล่อยให้เหตุแห่งความชั่วเกิดขึ้นทับถมกายและจิตใจของเราอยู่โดยขณะนี้เราก็จะไม่ได้รับคุณความดีอะไรเลยเหตุนั้นเราจึงได้หาวิธีกําจัดปัดเปล่า ปกป้องคุ้มครองเจตนารมณ์ที่ดีของเราคือเจตนาดีอย่างไรเจตนาตั้งใจที่จะขึ้นมาสู่วิหารนี้ขึ้นมาเพื่ออะไรขึ้นมาเพื่อกราบนมัสการพระพุทธธรรมพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการบูชาแมในที่สุดเราก็น้อมกายและจิตของเรานี่ เป็นเครื่องบูชาพระนรตรไยเรียกว่าปฏิบัติบูบชากายของเราก็ดีเกิดบุญเกิดกุศลวาจาของเราก็เกิดบุญเกิดกุศลจิตใจของเราในขณะนั้นก็เกิดบุญเกิดกุศล ส, สิ่งเหล่านั้นจบสิ้นลงไปแล้วยังเหลืออยู่อันหนึ่งคือการฟังและการปฏิบัติจิตของเรา การฟังหรือการปฏิบัติจิตของเรานั้นฟังอย่างไรปฏิบัติอย่างไรคุณความดีจึงจะเกิดขึ้นสมเจตนาลมเบื้องต้นทำกลางในระหว่างที่ฟังและปฏิบัติอยู่และตลอดถึงจบสิ้นไปรักษาเจตนาลมที่ดีเป็นบุญเป็นกุศลนั้นให้คงต้น คงเส้นคงวาไม่ถูกลบล้างด้วยเหตุและผลของความชั่วอันจะพึงเกิดขึ้นภายในจิตใจของเราได้แก่เจ้าถินมิทธะและอุธทธัจจะ